สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมดในพุทธวจนะบทนี้พระองค์อธิบายในเรื่องของการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยสมาธิได้ทุกระดับทุกขั้นตอนในบางคราวเราอาจได้ยินคำพูดของบุคคลบางคน ที่กล่าวว่าการสิ้นอาสวะนั้นหรือการเข้ามรรคผลนั้นจะต้องอาศัยฌานสีเท่านั้นหรือบางครั้งเราก็ได้ยินว่าสมาธใิในระดับอรูปไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่ก็คือความเห็นที่หลากหลายที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังทั่วๆไป แต่พอมาศึกษาพุทธวจนะปรากฏว่าพระองค์ผู้เป็นสัพพัญยูเป็นมัคคโกวิทโธทเป็นผู้ฉลาดในมัคมากที่สุดนั้นกลับบอกว่าความสิ้นอสาาวะานั้นใช้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานและสมาธิในระดับอรูปประสัญญาคืออาการสานานจัยจตนะ วิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะและเนวสัญญานาสัญญาจตนะและสัญญาเวทิตนิโรธซึ่งแต่ก่อนเราเห็นว่าพวกฤาษีโยคีนั้นเข้าสมาธิในระดับอรูปแล้วหลุดพ้นไม่ได้เราเลยนึกว่าสมาธิระดับนี้ไม่สามารถเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานได้แต่พระตถาคตฏยืนยันว่า สมาธิทุกระดับทุกขั้นตอนใช้เป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุตต์หรือเข้านิพพานได้ทั้งหมดพร้อมกับพระองค์ได้อธิบายเอาไว้ว่าจะเข้าได้อย่างไรจะใช้วิธีการทำอย่างไรเช่นเมื่อได้สมาธิในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานหรือขั้นตอนสุดท้ายของสมาธิในสีขั้นตอนแรกในสีสมาธิขั้นแรก พระองค์ให้เราเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าโดยอุปมาเปรียบเหมือนกับนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางส่วนในสมาธิระดับอรูปปสัญญาตั้งแต่อากาส า, า, นะานันจายจตนะวิญญาณันจายจตนะและถึงอากินจัญญาจตนะ สมสมาธิระดับนี้พระองค์ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4เพราะเขาวางรูปสัญญาได้แล้วนะก็เหลือขันธ์ทำงานอีก4ขันธ์ให้คนที่ได้สมาธิขั้นนี้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ต่อไปซึ่งทรงอุปมาเหมือนกันเลยก็คือในขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางเหมือนกันส่วนสมาธิอีกสองขั้นตอน คือในวาสัญญาณนะสัญญาัตนะกับสัญญาเวทิตตนิโรดนั้นสามารถดับสัญญาและดับเวทนาได้แล้วไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นวิธีที่จะเข้ามรรคผลนิพพานพระองค์บอกว่าภิกษุที่ฉลาดคือชายีภิกษุนั้นเนี่ยจะฉลาดในการออกจากสมาบัติฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกฉลาดในการเข้า แล้วกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบคือพระองค์จะไม่สอนแล้วใครได้สมาธิสองขั้นนี้คนคนนั้นจะสามารถใช้ปัญญาในการหลุดพ้นได้เองถ้าเขาเข้าสมาบัติเขาออกจากสมาบัติเขาเข้าเขาออกอยู่เรื่อยเรืนั่นก็คือเขาเห็นการดับและการเกิดนั่นเองการออกก็คือเห็นสมาธินั้นดับการเข้าไปใหม่ก็คือเห็นสมาธินั้นเกิด ไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นนอกจากจะต้องเห็นตัวเองเกิดดับคือเอาตัวออกจากสมาธิแล้วเอาตัวเข้าสมาธินั้นเข้าไปใหม่ก็คือการเห็นอเลษสัตตสีนั่นเองนี่คือเทคนิคในการใช้สมาธิเพื่อการหลุดพ้นจากอาสวะเพื่อเข้ามรรคผล น, ผนิพพานสมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตตได้ทั้งหมด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปถมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตถาฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้น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 เป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกาหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา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 เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กรับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกรับรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกษุสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและความสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ ดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดัง น, นี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตัติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตถาฌานบ้าง ก็มีคําอธิบายที่ตรัสไว้โดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌมานทุกตัวอักษรทั้งในส่วนอุปมาอและส่วนอุปมาผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้นภิกษุทั้งหลายคําที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสายันจายะธนะบ้างดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิคะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานณจายตนะอันมีการทำในใจว่า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 อนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชนมีในเบื้องตามห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมะนันทินั้นๆ น, น, นั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึก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 เพราะความดับไปแห่งปฏิคะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตะสัญญาจึงเข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ชายีภิกษุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติและกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบดังนี้